ทีนี้คําถามถึงนิโรธสัจจะคือถามถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุเนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปแล้วคาถาแรกถามทุกษัตริ์คาถาที่สองถามมรรคษัตริ์คาถาที่สามที่จะกล่าวไปนี้เป็นการถามนิโรธสัจจะว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกปัญญาสติและนามรูปย่อมดับไปณนะที่ใดข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะ ก็คำว่าปัญญาเนี่ยนะปัญญาก็ว่าปัญญาสตินามรูปดับไปในที่ใดคำว่าปัญญาก็คือความรู้ชัดกิริยาที่รู้ชัดความเลือกเฟ้นความเลือกเฟ้นทั่วความกาหนดพร้อมความเข้าไปกาหนดความเข้าไปกาหนดเฉพาะความเป็นบัณฑิตความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้ละเอียดอ่อนปัญญาเป็นเครื่องจำแนกความคิดความพิจารณาปัญญาดังแผ่นดินความปรีชาปัญญาอันน้อมไปความเห็นแจ้ง ความรู้ทั่วพร้อมปัญญาอันเจาะแทงเหมือนปัจจักปัญญินีสีปัญญาพภะปัญญาเป็นดังศาสตราปัญญาดังปราศาสตรปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเป็นดังรัศมีเนี่ยนะปัญญาเป็นดังประทีปปัญญาเหมือนรัตนะคือแก้วสารพัดนึกเนี่ยความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำซสัมมาที่ถีเรียกว่าปัญญาส่วนสติเนี่ยนะสติก็คือความระลึกความตามระลึกความระลึกเฉพาะสติ ความระลึกความทรงความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติสัมโพชงเอกายนามักเนี่ยชื่อว่าสติสติเนี่ยนะก็ถามว่าปัญญาสตินามและรูปเนี่ยนามก็คืออรูปประคันสี่เรียกว่านามก็คือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยเป็นนามส่วนมหาภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสีเรียกว่าเป็นรูปก่อ น, นามรูปก็ชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละฟังกัน นั้นคำว่าข้าพระองค์เนี่ยขอทูลถามทูลวิงวอนเชื่อเชิญให้ประสาทความข้อใดเพราะฉะนั้นขอจงตรัสจงบอกจงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศนั้นคำว่าอ่ากัดเถตังอุปรุชติความว่าย่อมดับคือย่อมสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ย่อมระ ง, งับไปณที่ใดพันสรุปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุก์ปัญญาสตินามและรูปย่อมดับไปในที่ใดข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดลักษณะคําถามก็คือถามถึงนิโรธสัจะถามถึงอนุปาที่เสสะนิพานธาตุถามถึงพระนิพพานนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอชิตะท่านได้ถามปัญหาข้อใดแล้วเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่าน นามและรูปดับไปไม่มีเหลือณที่ใดนามรูปนั้นก็ดับไปในที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณนามรูปดับเพราะวิญญาณดับนั่นแหละดับต้นเหตุได้ผลก็ดับนะีเพราะฉะนั้นปัญญาสตินามรูปที่ที่ท่านพระอนุปมันอชิตะมานบทูลถามเนี่ยนะ คำว่านามก็คืออรูปประขัน4ี่รูปก็คือมหาภูต ร, รูปและรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูป4ี่ย่อมดับถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คำว่านามรูปนั้นดับณนะที่นั้นความว่าเพราะความดับแห่งวิญญาณคือถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับเนี่ยนะที่บอกว่าทำเหล่าใดคือนามและรูปพึงเกิดขึ้นในสังสาระอันมีเบื้องต้นและมีที่สุดอันรู้ไม่ได้ เวนพบเจ็ดธรรมะเหล่านั้นย่อมดับคือย่อมถึงความสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณนะที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุต ด, ด้วยอภิสังขารธรรมด้วยโซดาปฏิมาหมายคือว่าหลังจากที่โพบที่8นะสมมตนะิว่าชาติหน้านับหนึ่งนะนะก็ไล่อย่างงี้ไปอีก8ชาติชาติที่8เป็นต้นเนี่ยนะนามรูปวัตตะในตั้งแต่พบที่8เป็นต้นเนี่ย ถ้าดับกรร ม, มวิญญาณตรงนี้ด้วยโสดาปฏิมาคได้ถ้าโสดาปฏิมาคเกิดนะาชาวนาวิญญาณเหล่านี้ที่เป็นโลภามูลจิตทิฏฐิขตาสัมปยุตสีดวงวิจิกิจชาอีกหนึ่งและปฏิสนที่ในภพที่8เป็นต้นทั้งหมดจะดับด้วยโสดาปฏิมาคนะถ้าปฏิบัติให้ได้โสดาปฏิมาคเนี่ยนะละกิเลสขึ้นทันทีเลยนะละกรร ม, มวิญญาณเลยคือโลภ โมระจิตที่ทีฆตาสัมปยุตสี่และเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดในนั้นด้วยถ้าดับวิญญาณอันนี้ได้ภพที่8ก็จะดับด้วยแต่ก็ต้องอาศัยโสดาปฏิมักนะจึงจะดับตัวนั้นได้โสดาปฏิมักเนี่ยจะดับทั้งปฏิกรร ม, มวิญญาณอันนี้ด้วยนะคือจิตห้าดวงที่กล่าวไปและปฏิโนที่ในภพที่8เป็นต้นไปเนี่ยโสดาปฏิมักจะดับอันถ้าหากว่า ดับวิญญาณด้วยโสดาปฏิมักอย่างนี้แล้วนะนามรูปณนะที่กล่าวไปนี่จะถูกดับทั้งหมดทรรมเหล่าใดคือนามด้รูปเกิดขึ้นในภพที่5เวนภพ2เนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นย่อมดับคือย่อมสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณนะที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุทธ ด, ด้วยพิสังขารธรรมด้วยสะกะทาคามิมขยานก็หมายถึงว่าถ้าสะกะทาคามิมักเกิดขึ้น จะดับโลภะอย่างหยาบโทสะอย่างหยาบเนี่ยนะดับโลภะโทสะอย่างหยาบและดับปฏิสนธิเว้นชาติหน้าซะเว้นชาติหน้าเนี่ยสกทาคามีมัคจะดับอีกห้าชาติต่อไปจะดับทั้งหมดเนี่ยนะพันธาหากว่าสกทาคามีมัคคยานเนี่ยเกิดขึ้นดับกรรมวมิญญาณคือโลภะอย่างหยาบโทสะอย่างหยาบแล้วก็จะดับปฏิสนธิในภพต่อไปเนี่ยนะเหลืออีกชาติหนึ่ง ด้วยอนุภาพของสะกทาคามิมักต่อไปธรรมเหล่าใดคือนามและรูปพึงเกิดขึ้นในการมาธาตุรูปธาตุหรืออรูปธาตุเว้นหนึ่งชาติหนึ่งภพเนี่ยนะคือรูปภพอ่ะธรรมเหล่านั้นย่อมสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณนะที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุต ด, ด้วยอภิสังขารธรรมด้วยอนาคามิมักขยานคือถ้าอนาคามิมักเกิดขึ้นเนี่ยนะดับการ ม, มาภพหมดเลยดับการ ม, มาภ ทั้งหมดเลยนะมันจะปฏิสนธิเฉพาะในรูปประพบแล้วก็ปรินิพานในพบนั้นเนี่ยอนุภาพของอนาคาไมมัคมันดับปฏิสนธิวิญญาณในกาลมาพบทุกชนิดนะแล้วก็จะประินิพานในพรหมโลกไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้อนุภาพของอนาคาไมมัค ส่วนธรรมเหล่าใดคือนามรูปพึงเกิดขึ้นธรรมะเหล่านั้นย่อมดับคือย่อมสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับณที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุทธ์ด้วยอภิสังขารธรรมด้วยอรหัตตมรรคยานถ้าอารหัตตมรรคยานนีปฏิสนธิทุกพบดับหมดทีนี้ถ้าเมื่อพาหันปรินีพานด้วยปรินีพานธาตุอันเป็นอนุปาที่เสสะก็แปลว่าถ้าพาหันตายเนี่ย ธรรมะเหล่านั้นคือปัญญาสตินามรูปย่อมดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณนะที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณดวงสุดท้ายถ้าจุติจิตของพาหาันดับดับหมด น, นะเรียกว่าอนุปาที่เศษะไม่มีอะไรเหลือจริงๆ น, นะวิญญาณนามรูปอะไรไม่มีเหลือสักอย่างเพราะฉะนั้นสรุปว่าดูก่อนอนะชิตท่านได้ถามปัญหาข้อใดแล้วเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่าน นามและรูปดับไปไม่มีเหลือณที่ใดนามรูปนั้นดับณที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณก็ถ้าดับจิตได้ดับจิตได้ต้องโสดาปฏิมรักเป็นต้นนะเป็นเครื่องดับจิตอ่ะดับจิตที่เป็นกรรมก่อนถ้าดับจิตที่เป็นกรรมได้ก็จะดับจิตที่เป็นวิบากโสดาปฏิมรักมีนิพานเป็นอารมณ์น่นแหลจึงจะดับกรรมมาวิญญาณถ้าดับกรรมมาวิญญาณได้ก็ดับปฏิสนธิวิญญาณ นะทีนี้ก็สรุปว่าพระชิตานี่ฟังสัจจะสแล้วนะที่บอกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเนี่ยนะอันนั้นเป็นทุกขประกาศทุกขะสัตถ์ถามว่ามันหน้ารังเกียจหน้าเกรงกลัวใช่ไหมนั่นแหละก็บอกว่ากระแสเราใดเนี่ยนะกระแสตันหานั่นแหละเป็นการกล่าวสมุทัยสัตถ์เนี่ยนะส่วนนิโรธก็คือเนี่ยนามรูปดับเพราะวิญญาณดับอันนั้นะนิโรสัจจะแล้วก็มรรคสัต์ก็คือ ปัญญาเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสท่านพระชิตาก็ฟังอริยศาสตร์สี่ไปแล้วแต่ก็ไม่บรรลนะุทีนี้เมื่อไม่บรรลุก็เลยถามถึงข้อปฏิบัติของพระเสขะพระเสขะคือถามข้อปฏิบัติของพระอริยะเนี่ยนะเป็นการถามถึงการละกิเลสมีวิปัสนานําหน้าต่อไปว่าพระอรหันตะขีนาศบเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมคือเป็นผู้พิจารณาธรรมะหมดแล้วเนี่ยนะ และพระเสขบุคคลเหล่าใดในที่นี้มีมากข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกความดําเนินคือข้อปฏิบัติของพระขีณาศพและพระเสขบุคคลเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์เถิดสรุปว่าเป็นคําถามถามถึงข้อปฏิบัติของพระเสขพระเสขคือถามถึงข้อปฏิบัติของพระอริยะเนี่ยนะ คำว่าพระอรหันตะขีนาศบท่านกล่าวว่ามีสังขารแธรรมแปล ว, ว่าเป็นผู้ที่พิจารณาธรำหมดแล้วถามว่าเพราะเหตุไรพระอรหันตะขีนาศพท่านจึงกล่าวว่ามีสังขารแธรรมก็เพราะเหตุว่าพระอรหันตะขีนาศบเหล่านั้นนะ่ะมีธรรมะอันนับแล้วคือรู้แล้วพินิจแล้วพิจารณาแล้วแจ้งแล้วแจ่มแจ้งแล้ว คือนับว่าสังขาร น, นะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอนุโลมก็สมุทัยาวาระปฏิโลมก็นิโรธวาระรู้อริยสัจเนี่นะอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ ปจเวกถึงละกิเลสว่าอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธถาขามินีปฏิปทายัางรู้ซึ่งเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวานิสรณะของภาษายตนาหกอุปาทานขันหมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะอภินยยธรรมปรินยยธรรมปหาตปธรรมพาเวตปธรรมสัจิกาตประธรรม ตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยนะพระอาหารหันต์ท่านนับท่านรู้ท่านพินิษ ท, ท่านพิจารณาท่านทําให้แจ้งทําให้แจ่มแจ้งแล้วนะท่านรอบรู้อย่างนั้นทั้งหมดแล้วอีกอนหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะว่าขันธาตุอายตนะคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารวัตตะอันพระ อ, อาหารหันตขีนาศเนี่ยนับพร้อมแล้ว เรียกว่านับจบหมดแล้วเนี่ยนะไม่มีเหลือนะนับหมดแล้วอันหนึ่งผ า, ารหันตขีนาศบเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดแห่งขันคือขันอันนี้เป็นขันสุดท้ายไม่มีปฏิสนธิอีกที่สุดแห่งธาตและอายตนะที่สุดแห่งคติอุบัติปฏิสนธิพบสงสารวัตต์ก็คืออายตนะสุดท้ายของท่านคติสุดท้ายอุบัติสุดท้ายปฏิสนธิสุดท้ายพบสุดท้ายสังสาระความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะสุดท้ายวัตต์สุดท้าย ตั้งอยู่ในภพอันมีในที่สุดตั้งอยู่ในอัตภาพอันมีในที่สุดเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดเพราะฉะนั้นภพอัตภาพคือความเกิดและความตายสังสาระคือขันธ์ธาตุอายตนะของพระอรหันตะขีนาศพเหล่านั้นนะ่ะมีเป็นครั้งสุดท้ายท่านไม่มีการเกิดในภพใหม่อีกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายจริงๆ คำว่าพระเสขาเนี่ยนะพระเสขาพ่อเหราหจึงชื่อว่าพระเสขาเพราะว่ายังต้องศึกษาจึงชื่อว่าเสขะถามว่าศึกษาอะไรก็ศึกษาที่ศีลสิกขาที่จิตศิกขาที่ปัญญาศิกขาอธิศีลสิกขาเป็นไงภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยศึกษาสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีละขันแม่เล็กศีละขันแม่ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกั้นเป็นความสัมรวมเป็นความระวังเป็นประมุขแห่งกุศลเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าที่ศีละศีขาก็คือกายวาจาอาชีพจะต้องบริสุทธิ์จริงๆก็คือจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลนะนะส่วนอธิจิตสศีขาเป็นฉนัยก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเรียกว่าอธิจิตสศีขา อธิปัญญาสิกขาก็คือเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาพิจารณาความเกิดความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำ่แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ เรียว่ารอบรู้เหตุเกิดโดยอาการ25ความดับโดยอาการ25ที่เป็นไปเพื่อการละกิเลสเนี่ยนะแล้วก็สามารถรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธทั า, ามินีปฏิปทาก็คือแทงตลอดอริยสัตว์และสามารถแทงตลอดวันนี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับอาสะวะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัญญาของ ที่ปัญญาสิกขาเนี่ยนะว่าปัญญาสิกขาเนี่ยจะต้องรู้เหตุเกิดความดับที่กล่าวไปรู้อริยสัจแล้วก็ประมวลถึงลา ก, กิเลสได้